ผู้ออกไปจากโลกพระพุทธภาสิหังซาอาดิจัปเทยันติอากาเซยันติอิทิยานยันติธีราโลกัมพ้าเชตวามรังสวานังแปลก ว, ว่ากลุ่มทั้งหลายย่อมไปในทางของดวงอาทิตย์ผู้มีฤิ์ย่อมไปทางอากาศด้วยฤิ์ของตนนักปราดทั้งหลายชนะมารพร้อมทั้งภาหนะแล้วย่อมออกจากโลกอธิบายความ พ่อว่านกโขงไปในทางของดวงอาทิตย์นั้นใช้เธอดําให้พิเศษออกไปแต่ความหมายก็คือไปทางอากาศนั่นเองคือพระอาทิตย์ย่อมโครจรทางอากาศชั้นใดนกโขงก็ฉะนั้นท่านภูมิฤทธ์ก็เหมือนกันสามารถเหาไปทางอากาศด้วยฤทธิ์ของตนได้ฤทธินี้เกิดด้วยกําลังฌานหรืออภิญญาสมาบัติอันอยู่เหนือวิสัยแห่งสามัญชนท่านว่าภูมิกิเลสน้อยด้วยอํานาจฌานหรืออภิญญานั้น ร่างกายบางเหมือนชมรีหมายถึงความรู้สึกของท่านเองเมื่อน้อมจิตไปเพื่อล่องลอยในอากาศก็สามารถลอยได้ตามต้องการคิดดูแล้วเหล็กและสัมภาระมาหึกมาเช่นเครื่องบินมนุษย์ผู้ฉลาดยังสามารถให้ลอยได้แล่นไปได้ในทิศทางที่ตนประสงค์ก็ฉนัยเล่าร่างกายซึ่งมีความหนักน้อยกว่าเครื่องบินมากนะจะล่องลอยไม่ได้ในเมื่อจาของได้ฝึกกายฝึกจิตได้เต็มที่ตามสูตที่ท่านพูดสำเร็จไปก่อนได้วางไว้ ท่านที่ปรารถนาปฏิเสธควรได้ลองฝึกฝนตามสูตรของท่านเสียก่อนเมื่อฝึกฝนตามนั้นแล้วไม่ได้ผลตามที่ท่านหวาไว้จึงค่อยปฏิเสธดูจะมีเหตุผลและน้ําหนักพอควรข้อความสําคัญที่สุดในพระคาถานี้คือนักปราศทั้งหลายชนะมารพร้อมทางพาหนะแล้วย่อมออกจากโลกอะไรคือมารอะไรคือพาหนะของมารมารคือสภาพที่ล้างฐานขุนความดีตัดรอนความเจริญก้าวหน้า ทำคนให้เสียคนในวิสุทธิมารภาคหนึ่งหน้า270ตอนแก้พัควาว่าพระพุทธเจ้าทรงหักมารทั้งห้าได้จึงได้พระนามว่าพักวาวามารทั้งห้าคือหนึ่งขันธมารสองกิเลสมารสามอภิสังขารมารสี่มัจจุมารห้าเทวปุตตมารอธิบายแต่โดยย่อว่าปัญญขันธชื่อว่ามารเพระาะทความลำบากให้บ่อย เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายยิ่งปัญจขันของคนชรายิ่งหน้าเบื่อหน่ายนักมีแต่ความชดชมเป็นภาระอนะันหนักบางคนเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่นานปีทำอย่างไรก็ไม่หายเบื่อหน่ายนักเข้าถึงกับฆ่าโทูตายก็มีกิเลส ช, ชื่อว่ามานเพราะใครตกอยู่ในอนันหนาของมันแล้วมันย่อมผูกมัดรัดรึงย่ำยีห้ำหันให้คนเสียคนแพก็มีกิเลสเป็นผู้ชนะที่ทารุณต่อผู้แพ้ไม่ยอมปราณีเป็นสิ่งทำลายความสุข แล้วก่อบาปกรรมมากมายความช่วต่างๆที่มนุษย์ทําลงไปก็เพราะกิเลสทั้งสิน้นกิเลสจึงเป็นมารอย่างแท้จริงอภิสังขาร น, นั้นคือกรรมฝ่ายอุปสนชื่อว่ามารเพราะทำให้ทุรพลคือทําให้อ่อนกําลังในการประกอบกรรมดีอ่อนกําลังในการเดินทางให้ถึงนิพพานเร็วมาจุความตายได้ชื่อว่ามารอีกอย่างหนึ่งเพราะตัดรอนสิ่งที่ถึงได้ถึงถึงหรือคุณวิเศษที่จะพึงบรรลุได้ในชีวิตนี้ ตัวอย่างเช่นท่านทาบททั้งสองคืออาราละและอุทกะถ้ายัางไม่ตายซะก่อนได้ฟังธรรมของพระเจ้าก็คงจัะได้บรรลุมรรคผลเป็นแน่แท้เทวบุตรมานนั้นท่านหมายเอาเทพประบรที่เป็นนิชชาทิฐิมากชักชวนบุคคลให้ทำความชั่วมองในแง่นี้จะหมายถึงผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่ชักชวนในทางผิดพลาดก็ได้ได้ลกล่าวถึงมารห้าอันท่านจะแนกไว้ในคัมภี์โดยสังเข็แล้วต่อไปจะกล่าวถึงพาหนะของมาร หรือพลของมารหรือพวกพ้องของมารอะไรคือพาหนะหรือพวกพ้องของมารพูดถึงเรื่องนี้ทําให้นึกถึงตอนที่พระเจ้าทรงชนะมารที่โพธิมณฑลในวันก่อ น, อนตรัสรู้ <Okay. S 1> ในตำนานได้กล่าวว่ามีพญามารพร้อมด้วยเสยนามากหลายมีอาวุธครบมือมีเสียงกึกกล้องมาเพื่อจะทําลายพระเจ้าแต่พระองค์ทรงเอาชนะได้ด้วยพระบรารมีมีทานเป็นต้นพาหนะ หรือบริวารของมารก็คือกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆจำนวนมากมายเหลือจกคุณนาในตำราจึงเล่าว่าลูกสาวของพญามารคือนางจันหาราคาและอรารดีไปช่วยพ่อในการรบกับพระพุทธเจ้าแต่ก็แพ้กลับไปนักปราชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมออกจากโลกในสมัยที่พญามารต้องการทำลายพระพุทธเจ้าที่โพธิมณฑ น, นนั้นว่ากี่ช้างจีเมฆเท้าหน้าของช้างจดบัลลังก์ของพระพุทธเจ้า เท้าหลังจดจักรวาลสูงทีมเมฆข้อนี้ท่านแก้เป็นความโลภของพระองค์ที่ขวนระลึกว่าถ้าไม่ออกผนวดยู่ครองครา ว, ว่าจะมีอํานาจแผ่ไปสานไปทั่วจักรวาลนักปรชาชาแมานพร้อมทั้งภาชนะแล้วย่อมออกจากโลกพ้นไปจากโลกความต้องการออกจากโลกนั้นเป็นทัศนะและเป็นอุดมคติของนักปราทุกคนทั้งนี้พระมองเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่น สิ่งใดที่บุคคลควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นขอให้เกิดทุกเสียทุกครั้งไปความสุขไม่พอกับความทุกข์ซึ่งกระนำอยู่ทุกเวลาไม่ได้เว้นเพราะพุทธภาสิทธิที่กล่ามานี้พระพุทธองค์ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชเทวนารามเมืองสาวัตถีทรงปลารบพระภิกษุสามสิบลูปมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องภิกษุสามสิูปวันหนึ่งภิกษุสามสิบลูปมาเฝ้าพระศาสดาส่วนพระอนนเุเถระก็มาเฝ้าพระศาสดาในเวลาอุปถากรองท่าน เมื่อได้เห็นภิกษุสามสิรูปอยู่ในที่เฝ้าจึงคิดว่าเมื่อพระศัสดาทรงกระทําปฏิสันฐานแก่ภิกษุเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วเราจึงค่อยเข้าไปดังนั้นแล้วหลีกไปยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพระสัสดาทรงกระทําปฏิสันฐานแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสธรรมกถาจนกระทั่งภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วขอไปทางอากาศเมื่อเห็นช้าเกินเวลาไปพระอนุ์จึงเข้าไปเฝ้าพระศัสด า, สาทูลถามว่า พืกูสามสิตรูปที่มาเฝ้าพระองค์นั้นไปไหนแล้วกลับไปแล้วอาน n o ์พระศัดสดาตรัพกลับไปทางไหนพระเจ้าค่ะไปทางอากาศอา non ท่านเหล่านั้นเป็นขีนาศพหรือพระเจ้าค่ะถูกแล้วอาน n o ์เธอเหล่านั้นเป็นขีนาศพพอฟังธรรมกถาในสนาของเราพระศัดสดาตรัพต่อไปว่าหงทั้งหลายย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์ ผู้มีเดิย่อมไปทางอากาศด้วยฤทธิ์นักปราดชนะมารพร้อมทางภาหนะแล้วย่อมออกจากโลกมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น